อยู่ที่การศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและอยู่ที่การปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติก็จะไม่มีการบรรลุธรรมขึ้นมานั่นเองดังนั้นการฟังธรรมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก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 ให้ไปทำอะไรต่างๆถ้าอยากจะทำอะไรก็รอให้การฟังทำเสร็จสิ้นไปก่อนหรือถ้าจำเป็นจะต้องไปทำก็ควรที่จะปลิกตัวออกไปไม่ควรจะทำหรือพูดอยู่ในสถานที่ที่มีการแสดงทำกันเพราะจะเป็นการ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 ไม่เคยพิจารณามาก่อนพอฟังก็จะไม่เข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ไม่สามารถพิจารณาตามได้ก็จะไม่สามารถเกิดปัญญาเกิดการบรรลุธรรมขึ้นได้แต่เราก็สามารถฟังเสียงธรรมได้โดยใช้เสียงธรรมเป็นที่เกาะใจไว้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 เสียงธรรมนี้ก็จะทำให้ใจสงบได้ระ ง, งับความฟุ้งซ่านได้ทำให้ใจเย็นมีความสุขได้ดับความทุกข์ที่เกิดจากการวุ่นวายใจก็จากความฟุ้งซ่านของใจได้นี่คือถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจไม่สามารถพิจารณาตามได้ก็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 ถ้าพิจารณาตามไม่ได้ก็ฟังเสียงธรรมไปเรื่อยๆอย่าพุโทโธอย่าบรกิกรรมอย่าสวดมนต์เพราะว่ามันจะทำร้ายมันจะมารบกวนกันนั่นเองเวลาถ้าเราอยู่คนเดียวไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วเราต้องการจะทำให้ใจสงบ ตอนนั้นเราถึงใช้การบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปหรือดูลมหายใจเข้าออกไปเพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ถ้าเราฟังเทศฟังธรรมเราก็ไม่ต้องใช้การบริกรรมพุโทโธไม่ต้องสวดมนเราใช้ฟิสเสียงธรรมกล่อมใจให้สงบได้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 ของแต่ละขั้นนั้นได้ดับไปแล้วก็จะไม่มีวันฟื้นคืนขึ้นมาอีกได้นี่คือความแตกต่างระหว่างการดับความทุกข์ด้วยสมาธิและด้วยปัญญาถ้าใช้สมาธิก็จะดับความทุกข์ได้ชัว่วคราวอย่างที่เขาพูดว่าเห็นทับหญ้เวลามีเห็นทับหญ้ไว้ หญ้าก็จะไม่สามารถงอกออกงอกออกมาได้จเจริญออกมาได้แต่เวลายกหินออกจากหญ้าไปหญ้าก็จะงอกเงยขึ้นมาใหม่ได้แต่ถ้าใช้การถอนรากถอนโคนของหญ้าออกไปจากดินเลยไม่ต้องมีหินทับหญ้าหญ้าก็จะไม่มีวันที่จะฟื้น งอกขึ้นมาได้อีกต่อไปเพราะรากของยญ้าได้ถูกถอนออกจากดินไปแล้วการบรรลุธรรมด้วยปัญญาก็เป็นการถอดถอนรากเหง้าของความทุกข์นั่นเองรากเหง้าของความทุกข์ก็คือตัณหาความอยากรากเหง้าของตัณหาความอยากก็คือความหลงมีสองขั้นด้วยกัน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 ถึงจะแก้ความหลงได้ถ้ามีความหลงก็จะเกิดมีความอยากขึ้นมาถ้าหลงคิดว่าเป็นของเราก็จะมีความอยากให้ของเหานั้นอยู่กับเราเป็นนานๆอยากจะให้ดีเป็นนานๆอยากจะให้ความสุขกับเราเป็นนานๆแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น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 มีเกิดแล้วก็ต้องมีดับมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมแล้วเมื่อมีการเจริญมีเสื่อมก็ต้องมีความทุกข์ตามมาเวลาเจริญก็มีความสุขแต่เวลาเสื่อมก็จะเกิดความทุกข์ตามมาแล้วก็พิจารณาว่าความไม่แน่นอนความทุกข์นี้ก็เป็นเพราะว่า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 ความอยากนั้นก็หายไปพอความอยากหายไปความทุกข์ก็หายไปแต่พอออกจากสมาธิมาความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาใหม่เช่นความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเวลาเราคิดถึงความแก่เรารู้สึกอย่างไรเรารู้สึกว่าเราสุขหรือเรารู้สึกว่าเราทุกข์กัน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 การที่เราจะไม่ทุกกับความแก่กับความเจ็บกับความตายเราก็ต้องไม่มีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายการที่เราจะละความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ก็ต้องมีปัญญามันแก้ความหลงที่ไม่เห็นว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนั้นเอง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 ว่าเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายพอเราเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตาย <_ an> เราจะไม่ตกใจเราจะไม่ทุกข์เพราะเราเห็นความจริงพอเราเห็นความจริ ง, เ ร, เ, รงเราก็จะไม่มีความอยากที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะอยากไปก็ไม่มีผลอะไร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 เวลาใจสงบความทุกข์ต่างๆก็จะดับไปชั่วคราวพอออกจากความทุกข์มาพอออกจากสมาธิมามาเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายความทุกข์ก็ฟื้นคืนขึ้นมาใหม่ไม่มีใครรู้วิธีที่จะดับความทุกข์ได้อย่างถาวรแล้วคิดว่าไม่มีวิธีคิดว่า เป็นวิธีเดียวเท่านั้นก็คือสมาธิดับได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นแต่พระพุทธเจ้ามีความปรารถนาและมีความเชื่อว่าต้องมีวิธีที่จะดับความทุกข์ได้อย่างถาวรพระ อ, องค์จึงใช้ปัญญาพิจารณาเข้าไปในพระไท่ของพระ อ, องค์เองจนเห็นว่าความทุกข์ของพระ อ, องค์เองนี้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 ที่มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วห้ามันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้เราจะไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้อย่างไรนี่คือวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงพิจารณาด้วยปัญญาจึงเห็นว่าต้องยอมแก่ต้องยอมเจ็บต้องยอมตายต้องยอมรับความจริงอย่าไปขัดกับความจริงอย่าไปฝืนความจริง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 แต่ผู้ที่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะต้องมีความทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆดังนั้นปัญหาพตะกุทธเจ้าได้ส่งคนพบก็คือปัญหานั้นอยู่ที่ความหลงและอยู่ที่ความอยากหลงก็คือไม่เห็นไม่เห็น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 มีพระพุทธเจ้าเพียงพร อ, องค์เดียวเท่านั้นที่รู้ความจริงอันนี้แล้วก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราทั้งหลายผู้ที่ได้ยินได้ฟังความจริงอันนี้แล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็สามารถทำลายความทุกข์ภายในใจได้ผู้ที่จะทำลายความทุกข์ภายในใจด้วยปัญญาได้นี้ ต้องมีสมาธิก่อนต้องมีต้องรู้จักวิธีดับทุกข์ด้วยสมาธิก่อนแล้วถึงจะมีกำลังที่จะใช้ปัญญาในการหยุดความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ได้ถ้ายังไม่มีสมาธิถึงแม้รู้อย่างพวกเราตอนนี้ก็รู้กันแล้วว่าความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายทำให้พวกเราทุกข์กัน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 เราก็จะต่อสู้กับความอยากทุกครั้งที่ใจอยากจะไม่แก่เราก็ต้องตัดมันต้องยอมแก่ทุกครั้งที่มันอยากจะไม่เจ็บก็ต้องทำลายมันต้องยอมเจ็บทุกครั้งที่มันอยากจะไม่ตายก็ต้องทำลายมันต้องยอมตายพอยอมแล้วใจก็จะเย็นจะสบายจะสงบเรียกภาษาชาวบ้านก็คือปลงได้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 ปัญญาบาลมีที่จะเห็นถึงต้นเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากความอยากได้เท่านั้นนานๆนนถึงจะมีพระโพธิสัตว์มาตัดสรุ้เป็นพระพุทธเจ้ากันสักครั้งหนึ่งแต่พอมีพระพุทธเจ้าแล้วก็จะมีพระอาถามตาสสาวกปรากฏขึ้นมากันเป็นจํานวนมากได้อย่างง่ายดายเพราะ มีผู้นําทางมีผู้สอนพอมีผู้สอนแล้วผู้ปฏิบัติก็สามารถนาเอาไปปฏิบัติได้บรรลุผลได้อย่างรวดเร็วพวกเราก็เป็นเหมือนพวกที่จะเป็นภาษาวกของพระพุทธเจ้าถ้าเราสามารถน้อมเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติได้ครบถ้วนบริบูรณ์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 การเกิดของพออระอรหันตสาวกนี้ก็เกิดจากการเกิดของพระพุทธเจ้านั่นเองถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุปแล้วนําความรู้อันวิเศษนี้มาเผยแผ่สั่งสอน mm. ก็จะไม่มีผู้ใดที่จะสามารถบรรลุธรรมดับความทุกข์บรรลุเป็นพออระอรหันตสาวกได้เลยต้องมีพระพุทธเจ้าก่อนต้องมีพระธรรมคําสอนก่อน ถึงจะมีพระอริยสงสารกได้นี่คือพระรัตนตยัยพระรัตนัยนี้ต้องเกิดจากพระพุทธรัตนาก่อนเมื่อมีพระพุทธรัตน์แล้วก็จะมีพระธรรมรัตน์เมื่อมีพระธรรมรัตน์ก็จะมีพระสังขรัตน์ขึ้นมาถ้ามีแต่พระพุทธเจ้าแล้วไม่ทรงแสดงธรรมก็จะไม่มีพระอริยสงสารก เช่นพระพุทธเจ้าบางพระองค์ที่ไม่เผยแผ่คำสอนให้แก่ผู้อื่นที่เราเรียกว่าพระปัเจกับพระพุทธเจ้าท่านตัดสรู้แล้วท่านไม่นำเอาความรู้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อก็จะไม่มีพระธรรมรัตนปรากฏขึ้นมาเมื่อไม่มีพระธรรมรัตนะก็จะไม่มีพระสงางครัตนะเมื่อไม่มีพระธรรม พระรัตนตรก็จะไม่มีพระพุทธศาสนานี่แหละองค์ประกอบของพระพุทธศาสนาอยู่ที่พระรัตนไตรัยนี่เองอยู่ที่พระพุทธเจ้าอยู่ที่พระธรรมคําสอนอยู่ที่พระอริยสงสาวกบถึงจะมีพระพุทธศาสนาปรากฏให้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกได้เป็นเวลาอันยาวนาน ถ้าพระพุทธเจ้าพระปฏิเจ้พระพุทธเจ้าตายไปก็จบแต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงธรรมก็จะมีพระอริยสงสาวกมาเป็นผู้สืบทอดพระธรรมคาสอนต่อจากพระพุทธเจ้าอย่างพระพุทธศาสนาของพวกเรานีในเบื้องต้นเราก็ได้พระพุทธเจ้าเป็นผู้เผยแผ่พระธรรมคำสอนพอพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปริมิพานไปแล้ว เราก็มีพระอาหารหันตสาวกมาเป็นผู้เผยแผ่คำสอนต่อเผยแผ่มากันอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนายังยังมีชีวิตชีวาอยู่ได้ไม่ได้อยู่ที่การมีโบสถ์มีเจดีย์มีถาวรและวัตถุต่างๆมีพระสงฆ์บวชกันเป็นจำนวนมากหรือจำนวนน้อย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 ไม่มีการปฏิบัติกันอย่างจริงจังรวยกันไปเจ็ดวันสิบห้าวันก็ลาสิขากันไปเหรือบวชเดือนหนึ่งสามเดือนก็ลาสิขากันไปบวชแบบนี้ไม่เรียกว่าบวชเรียกว่าเล่นบวชเล่นเล่ น, ลนไม่ใช่แบบบวชเอาจริงเอาจังถ้าบวชเอามรรคผลนิพพานนี้เขาบวชไม่สึกกันผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วเขาไม่รู้จะสึกไปหาอะไร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 ถ้าอยากจะไปให้ถึงมรรคผลนิพพานก็ต้องบวชแบบไม่ศึกบวชแล้วก็ต้องศึกษากับครูบาอาจารย์และปฏิบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย์ถึงจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานอย่างที่หลวงปู่มั่นท่านได้นำพาปฏิบัติมาพระที่ไปศึกษาไปปฏิบัติกับหลวงปู่มั่นก็กลายเป็นพระอารหันตสาว ก, กันขึ้นมาเป็นจานวนมาก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 พอเราได้ปฏิบัติตามเราก็จะได้บรรลุทาขั้นต่างๆดับความทุกข์ขั้นต่างๆไปจนถึงขั้นสูงสุดได้ดับความทุกข์ได้อย่างสมบูรณ์ได้อย่างถาวรไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแล้วหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นสาระเป็นที่พึ่งของผู้อื่นต่อไปเป็นการ สืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวนานต่อไปดังนั้นขอให้พวกเราอย่าไปหลงประเด็นอย่าไปคิดว่าการสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างเจดีการบวชกันแบบจํานวนมากๆแต่บวชกันประเดียวประดาวเจ็ดวันสิหวันนี้ว่าเป็นการสืบทอดพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง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 ก็คือไม่มีภารกิจการงานอย่างอื่นนอกจากการศึกษาและการปฏิบัติเท่านั้นถ้ายังต้องไปทามาหากินทำงานทำการทำภาระอะไรต่างๆอันนี้ยังไม่ถือว่าเป็นนักบวชถ้าเป็นนักบวชแล้วจะต้องไม่มีงานอย่างอื่นมีงานอย่างอื่นก็เพียงแต่งานดูแลรักษาธาตุขันธ์นี้เท่านั้นเองให้อยู่ไปได้วันๆหนึ่ง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 เช่นสร้างโบสสร้างเจดีย์สร้างศาล า, าไปทําพิธีบวชชีบวชพระบวชอะไรกันบวชแล้วก็ศึกศึกแล้วก็บวชกันเป็นรุ่นรุ่นไปรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่สองรุ่นที่สามถ้าทําภารกิจเหล่านี้มันก็จะไปรบ ก, กวนภารกิจของการปฏิบัติของการศึกษาและปฏิบัติและปฏิเวณั่ น, นั้นขอให้พวกเรา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 เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิป้เมวะสมิจจตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยธามณีโชติราโสยธาสัพพิตโยวิวัจจันตต สัพโรโควินาศตุมาเตภวะทวันตระโยสุขีทีขายุโกภวะอาภิวะธนสีริสะนิจจวุทตาปะจายโนจตารโอธรรมาวัฏานติอายุวโนสุขังภาลัง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 ถ้ายังมีก็แสดงว่ายัางละไม่ได้คําถามข้อต่อไปจากคุณเสาวกรนะครับการที่บวชเป็นพระแล้วไม่ออกบินทบาทผิดวินัยหรือเปล่าพระวินัยนี้เป็นข้อห้ามส่วนการเรกบินทบาทนี้ไม่ได้เป็นข้อห้ามเป็นข้อแนะนําเรียกว่าเจิตที่พุทธที่พระสงฆ์เพลิกระทํา มีอยู่4ข้อด้วยกันคือ 1. บินทบาทเลี้ยงชีพ 2. อยู่ตามโคนไม้ 3. ใช้ผ้าบาังสกลุล 4. ใช้ยาดองน้ำมูดนี่คือการการอยู่แบบพระคือให้อยู่แบบมากน้อยสันโดษให้อยู่แบบพึ่งตนเองการบินทบาทนี้เป็นการพึ่งตนเอง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 พระวินัยเพราะไม่ใช่เป็นข้อห้ามแต่ผิดหลักธรรมข้อที่ควรจะกระทำก็เท่ากับการไม่เจริญความมากน้อยสันโดษไม่เจริญความเพียร น, นั่นเองผู้ที่จะปฏิบัติตนให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ได้ น, นี้ต้องมีความเพียรเพียงแต่การหาอาหารนียังไม่มีความเพียรแล้วจะไปเพียรปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิ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 ทำลายกามาราคะได้การที่จะมาเห็นอสุภะของตนเองนี้มันไม่ได้ไปทําลายกามาราคะแต่อย่างไรเพราะว่าเหตุที่ทําให้เป็นกามาราคะเกิดขึ้นมานี้ไม่ได้อยู่ที่ความสวยงามของร่างกายเราแต่อยู่ที่ความสวยงามของร่างกายของผู้อื่นที่เราอยากจะร่วมเสพกามด้วย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 รู้แล้วก็ผ่านไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดเชื่อขณะเดียวท่านั้นเสียงดังปั้งมันก็ผ่านไปแล้วถ้าจะตายมันก็ตายแค่วิวนาทีเดียวก็ตายละแล้วลไม่มีเวลาที่จะตกใจกลัวถ้ามีสติแล้วมันจะเฉยมันจะรับรู้เฉยๆมันจะไม่คิดปูงแต่งตามกับเหตุการณ์ต่างๆไปดังนั้นถ้าอยากจะมีสมาธิมีจิตใจที่หนักแน่นเหมือนกับก้อนหิน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 อันนี้ก็จะทำให้ใจไม่สงบใจฟุ้งซ่านแล้วก็จะเวลาเกิดการมาลมเกิดการมาลาค้าขึ้นมาก็จะดับมันไม่ได้พดับมันไม่ได้ก็มีสองทาง เ, าเสดการทั้งขณะที่ยังอยู่ในผ้าเหลืองหรือไม่เช่นนั้นก็เสดขาลาเสดขาลาเพศไปเพื่อไปเสดถ้าเสดในที่อยู่ในผ้าเหลืองก็เป็นปาราชิกก็ขาดจากความเป็นพระไป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 ถ้าเกิดพระไปบอกคนที่ถือเงินไว้แล้วเขาบอกว่าเขาเอาไปใช้หมดแล้วพระก็ไปทําอะไรเขาไม่ได้ไมีทําได้ก็เพียงต้องไปบอกผู้ให้ว่านายคนนี้ที่เราบอกว่าให้ฝากเงินไว้เขาไม่เอามาทําตามเจตนาลมนั้นคราวหน้าอยากไปฝากก็ไว้กับคนนี้ก็บอกได้เพียงเท่านี้แต่เงินที่เขาเอาไปใช้หมดก็ถือว่าไม่ใช่เป็นเงินของพระ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 ก็ทานศีนี่เป็นเป็นธรรมขั้นต่ำคือคุณค่ามีน้อยกว่าคุณค่าของการภาวนาเปรียบเหมือนกับธนบัตรที่มีราคาต่างกันธนบัตรใบละยี่สิบใบละห้าสิบใบละร้อยนี่มีคุณค่าสู้ธนบัตรใบละห้าร้อยแล้วพันหนึ่งไม่ได้ต่อให้ได้ธนบัตรใบละ 20, 10, บยี่สิบมาสิบใบสู้ได้ธนบัตรใบละพันมาใบาเดียวไม่ได้นี่คือความเปรียบเทียบ ถ้าเราภาวนาแล้วจิตสงบเพียงแค่ อ, อะไรอะไรแลบดินนะช้างงูแลบลิ้นปั๊บเนี้ย<ม>ก็ถือว่าได้ความสุขมากกว่าการทําทานร้อยล้านพันล้านนี่คือความหมายเป็นอย่างนั้นอ่าความหมายเป็นอย่างนั้นแล้วอา น, นิสงส์ที่ได้รับจะเป็นอย่างนั้นด้วยจริงๆไหมครับอาจารย์ก็เป็นนะสิก็จะได้ความสุขแล้วก็จะทําให้เราเนี่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 เนื่องจากบาลมีเก่าบุญเก่าที่เคยสะสมมาพอพระ อ, องค์ประทับอยู่ตามลําพังไม่มีใครห้อมล้อมใจกายวิเวกจิตก็วิเวกขึ้นมากายสงบปราศ จ, จากคนมาคอยรบ ก, กวนใจก็สงบใจก็สงบเหมือนกับหูแลบลิ้นอย่างนั้นก็ทําให้พระ อ, องค์รู้สึกว่ามีความสุขอย่างมากโดยที่ไม่ต้องมีอะไรก็เห็น ก็เลยรู้ว่ามีความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่ไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องมีเงินมีทอง <c oughs> ไม่ต้องมีลาบยศสารเสริญจึงทำให้พระองค์มีความยินดีมีความปรารถนาที่อยากจะไปสร้างความสุขแบบนั้นพอถึงเวลาถึงจังหวะที่ต้องไปพระองค์ก็เลยไปได้อย่างไม่มีอะไรมายับยั้งได้ พระ อ, องค์รู้ว่าพอได้ลูกแล้วนี่ถ้าไม่ไปก็จะไปไม่ได้เพราะบ่วงจะคล้องคอตอนนี้ยังยังไม่ได้คล้องคอเพียงแต่กําลังส่งบ่วงมาถ้าหลบหนีไปก่อนก็จะไม่ถูกบ่วงคล้องคอพ อ, องค์เลยต้องเสด็จออกจากพระราวังไปในคืนนั้นเลยนี่คือความสำคัญของการได้สัมผัสกับความสุข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 ขอให้พยายามฝึกสติให้มากๆนั่งสมาธิไปให้มากๆาวันดีคนดีถูกแจ็คพอตขึ้นมาปั๊บก็จะได้ไปรับรางวัลได้ถ้าไม่ทำก็จะไม่มีวันที่จะได้ผลนั้นอย่าท้อแท้อย่าไปประมาทตัวเองว่าโอ้ยเราเป็นคนด้อยวาสนาด้อยบุญไม่มีความรู้ความสามารถไม่มีใครรู้หรอว่าใครจะถูกวัตตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันหรือไม่ใช่ไห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 เกิดความเกิดพลังที่จะมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติให้มากยิ่งขึ้นไปแล้วในที่สุดก็จะได้บรรลุไปเหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระอาลัยตะสาวงทั้งหลายได้บรรลุ ก, กันพระอาจารย์ครับพระที่ต้องโทษปาลาชิกแต่ยังคลองผ้าเหลืองอยู่ต่อโดยไม่ยอมสึกออกไปเนี่ยแสดงว่าเขาเข้าข่ายหลอกลวงเป็นข้อมุษาและมีกรรมที่หนักกว่ามนุษย์ ทั่วไปที่ไม่ได้บวชไหมครับพระอาจารย์ก็เขาก็ไม่ได้เป็นพระแ่้หล่ะเพียงแต่ว่าเขายังไม่ยอมรับความจริงถ้ายังรับอาหารบิณฑบาตยังรับข้าวของจากญาติโยมอยู่ก็เป็นเหมือนกับการโกหกหลอกลวงทาบาปไปเรื่อยเมื่อทาบาปไปเรื่อยมันก็ยิ่งจะมีโทษหนักกว่าการเป็นคารวะ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 ผู้ใดที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสมควรแก่ําเอผู้นั้นแหละเป็นผู้ที่เป็นพระที่แท้จริง อ, อยากจะถามะอะไรป่ะคนถามไปไหนะ่ะถามมาดูมูเข้ามาแทนตัวย่าง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 ถึงทําไปโดยสัญชาติตยานเออนี่ไม่ต้องกลัวหรอกถ้าเราเจอสัตว์เราก็ต่างคนต่างอยู่เขามาทางนี้เราก็เดินไปทางนู้นเสียก็ไม่มีปัญหาอะไรโดยท่าจะเอกันก็ยืนพุทโธพุชโชหลับตาไป เ, าเดี๋ยวเขาก็ไป อ, อ, อย่างหลวงปู่นะหลวงปู่ชอบท่านชอบเดินเดินทุดดง่งดวงตอนกลางคืนอตอนกลางวัน ม, นมันร้อนท่านเลยเดินทุดดง่งดวงตอนกลางคืน ตอนที่ท่านเดินท่านก็มีโคมไฟที่เป็นผ้าแล้วก็มีเทียนจุดอยู่ทันก็ถือโคมไฟเดินไปแล้วท่านก็ภาวนาไปบริกรรมพุโทโธจะเดินสติของท่านไป <c oughs> คืนหนึ่งท่านบอกท่านเดินไปเจ้าเอกับเสือโคอร่งพอเห็นเสือโคอร่งปั๊บนี้จิตของท่านมีสติอยู่มันก็รุบลงไปเลยเข้าไปรวมเป็นสมาธิเลยพอจิตเข้าไปแท่งนย้ยปั๊บ ร่างกายก็หายไปเสือก็หายไปไม่รู้อะไรเลยสักดิหรือแต่ตัวรู้ตัวเดียวท่านท่านบอกแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่ในสภาพนั้นนานหรือไม่นานพอเวลาถอนออกมาจากสมาธิแล้วเทียนที่จุดไว้ในในโคมโคมนั้นมันดับไปหมดแล้วมันไหม้หมดไปแล้วเราเสือเสืออะไรก็หายไปหมดท่านก็ยังยืนในท่าเดิมอยู่นั่นแหละคือ พอเราอยู่เฉยๆแล้วสัตว์ก็ไม่มาทำเราหรอกเพราะเขาไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรแล้วอาจจะคิดว่าเราเป็นต้นไม้ก็ได้อสัตว์มันไม่มีบัญญาที่จะแยกแยะเนี่มันยืนแข็งทื่ออยู่เนี่ยมันเป็นอะไรกันดั้นไม่ต้องกลัวนะคอยมีสติไว้คอยมีสติประคับประคองใจไว้พอไปเจอภัยอันตรายตรงไหนก็พุทโธพุทโธไปฝากเป็นฝากตายไว้กับพระพุทธเจ้าแล้วรับรองได้ว่าจะไม่มีภัยอะไรเกิดขึ้นกับเรา สแสดงว่าลักษณะนั้นถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็คือการเตรียมตัวตายไปในตัวด้วยใช่ไหมครับพระอาจารย์นั่นแหละพระทุดองค์ที่ท่านไปอยู่ในที่อย่างนั้นก็เพื่อที่จะไปทดสอบธรรมของท่านว่าท่านพิจารณาเห็นความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายหรื อ, อยังท่านพร้อมที่จะให้ร่างกายนี้แก่เจ็บตายหรื อ, อยังท่านจึงไปหาที่เหล่า น, นั้นเพื่อที่จะได้พิสูจน์เข้าห้องสอบพอไปเจอความตายท่านก็ปล่อยวางได้นิ่งเฉยได้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 อยากไม่ตายได้ปั๊บมันก็บรดปัญหาไปปัญหาอยู่ที่ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอเห็นด้วยปัญญาว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายะห้ามมันไม่ได้เรเป็นอนัตตาก็ไปทดสอบดูไปเข้าห้องสอบดูน้องต้นก็ทําการบ้านก่อนพิจารณาไปได้เรื่อยๆสอนใจไปเรื่อยๆว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะวันใดวันหนึ่ง เมื่อเราสอนไปเรื่อยๆ เ, เราก็ยอมรับว่าจริงๆนะเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เรายังไม่รู้ว่าเรายอมจริงหรือไม่ยอมจริงเราก็ต้องไปหาของจริงมาพิสูจน์เนี่ยพระที่พระท่านไปทุดงไปอยู่ในป่า ก, กันก็เพื่อที่จะไปหาความจริงอันนี้กันไปหาเหตุการณ์ที่จะมาเขาย่าขวัญจิตใจไปเจอความความน่ากลัวต่างๆแล้วดูว่าจะดับมันได้หรือเปล่า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 สอนใจให้เป็นอุเบกขาให้อยู่เฉยๆให้สักแต่ว่ารู้ได้ด้วยการยอมยอมหยุดเย็นเข้าใจไหมยอมรับความจริงก็จะหยุดความอยากพอหยุดความอยากได้ใจก็จะเย็นจะสบายอ่ามีอะไรไหม ค, คุณต่อหมดแล้วครับอาจารย์ไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีก็แค่ว่าจะ ขอุติการชนน า, นาธา ร, รมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านได้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปเจริญไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่ ง, ง, งขึ้นไปเถิดท่านที่มาข้างหลังทีหลังยังอยากจะเข้ามาก็เข้ามาได้มีหนังสือซีดีจาก <c oughs> ใครอยากจะถามอะไรไหมโอกาสให้ถามอีกรอบหนึ่งเอาไมเดี๋ยวเอาไม่้เสียบไม้หน่อยการรัศการค่ะเออพอดีโยมนั่งสมาธินะคะแต่ทีนี้ปรากฏว่าเวลานั่งนั่งไปเนี่ย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 ถ้าทำแต่สมาธิอย่างเดียวไม่เคยออกทางปัญญาไม่เคยพิจารณาอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาไม่เคยพิจารณาสุภาพเลย<ม>อย่างเนี้ถึงจะเรียกว่าติดแต่ตอนต้นนี้ยังไม่ยังไม่ได้อยู่ที่ขั้นปัญญายังอยู่ที่การสร้างสมาธิก็ต้องทําให้มากๆก่อน<ม>ทําไปเถิดปีสองปีอยู่กับสมาธิ น, นี่ไม่ถือว่าติดหรอกคือถ้าดิ่งก็ปล่อยให้ดิ่งไปอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะให้มันนิ่งให้มันเป็นโอเบขาสักแต่ว่ารู้<ม>แล้วให้มันอยู่เฉยๆอย่างนั้นให้นาน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 ถ้าเรายัางไม่ชำนาญเรื่องสมาธิยังไม่สามารถสั่งให้มันเข้าออกได้ตามที่เราต้องการรำการให้มันสงบเพ่าอะก็ทําได้อย่างนั้นถึงจะเรียกว่าชำนาญเมื่อชำนาญแล้วเทนี้เราถึงต้องค่อยไปทางปัญญาสลับกับการนั่งสมาธิสมาธินี้ทิ้งไม่ได้ต้องสลับกันเวลเาออจากสมาธิมาพอคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ให้คิดไปในทางไตรลักษ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 เขาจะไปเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ใช่ไห ม, มนั่นแหะถึงเรียกเป็นอนัตตาถ้าเราเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะตัดความอยากไปได้ น, นี่คือหลักของปัญญาแต่ต้องมีสมาธิก่อนถึงจะมีกําลังสู้กับความอยากอตอนนี้เราก็รู้ว่อนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ไม่มีสมาธิไม่มีกําลังอพออยากก็บ้าก็กระโดดมับเลยใช่ไหมนั่นแหละ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 ก็บางครั้งโยมนี่อยากจะเล่าจากงานบ่อยมากแล้วเบื่ออะไรประมาณอย่างนี้ด้วยถ้าเบื่อแบบนี้ก็ไม่เป็นไรใช้ได้เพราะว่าเป็นการอยาไปภาวนาอยากเป็นการไปรักษาใจไงอตอนนี้เราเบื่อเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เราอยู่ด้วยมันทําให้ใจเราทุกข์เราก็อยากจะทิ้งมันไปอันนี้เบื่อแบบนี้ไม่เป็นไรแต่เบื่อแบบอยากฆ่าตัวตายอย่างนี้ไม่ถูกเบื่อแล้วไปทําบาปเนี่ยไม่ถูกเบื่อแล้วไปทําบุญนี่ถูกเข้าใจไหม เบื่อเที่ยวเงาเงินไปเที่ยวนี้ไปทําบุญแทนอย่างเงี้ยเบื่อซื้อเสื้อผ้าเบื่อซื้อกระเป๋งกระเป๋ารองเท้าก็เอาไปซื้อเอาไปทําบุญแทนอย่างเงี้ยถ้าทางนี้เบื่อแบบนี้เป็นธรรมถ้าเบื่อแล้วไปทําบาปนี้เบื่อสิ่งนี้อะไรไปกินเหล้าแทนอย่างเงี้ยไปซื้อเหล้ามากินแทนเบื่อแบบนี้ไม่ดีนะเบื่อแล้วไปทําบาปไม่ดีแต่ถ้าเบื่อแล้วไปทําบุญดีอืม มีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมอ่เอาไม้ไปเอาไม้เอาไมกล่ า, ม, า ม, มัสการค่ะกรณีการปฏิบัติทําโดยการทำสมาธินะคะอ่าท่านั้นอ่ะพูดใกล้ใกล่อในการทำสมาธินะคะเอ่อไม่จะมีสิ่งที่มารบกวนอย่างเช่นมดหรือแมลงอะไรมาไต่มาตอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งก็คือความเจ็บปวด กรณนนีความเจ็บปวดนี้เราสามารถจะมีการผ่อนคลายในขณะที่เรายังคงนั่งอยู่แต่ผ่อนคลายได้หรือไม่คะแล้วยังถือว่าเป็นการทำสมาธิอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนท่าอย่างนั้นใช่หรือไม่อีกส่วนหนึ่งที่ว่ามดมาแมลงไต่ตอมเนี่ยบางทั้งมันก็จะเข้าจะมาเข้าหูเข้าสมบูรอย่างนี้เรามีทางไหนที่จะแก้ไขได้อย่างไรบ้างคะ ก, กับคุนกาก็กางม้งใสกางม้งแล้วไปนั่งที่ที่มดมันไม่ไปถ้ามดมันไปก็ ล่อน้ำตั้งเตียงแล้วก็ร่อน้ำไม่ให้มัน อ, อย่างกุฏิพาดอย่างนี้สร้างใหม่นี้จะจะมีที่ทมีมีล่องน้ำรอบกุฏิไม่ให้มันขึ้นขึ้นกุฏิแล้วในตัวห้องก็มีมุ้งลวดของตรงนี้นเราเราแก้ได้ปัญหาเราต้องใช้ใช้การวิเคราะห์ดูว่าทำอย่างไรที่จะการไม่ให้หมดแมลงมารมาบกวนท่านมาอยู่ในป่านี้เขาก็มีกรดมีมุงกัน แล้วแค่ที่นั่งอยู่ในป่าเขาก็จะมีที่กันมดกันบางทีก็ทาน้ํามันที่รอบเสาวไว้มดมันได้กินน้ํามันมันก็จะไม่ขึ้นส่วนมาแรงที่บินพวกอะไรพวกยุงหรืออะไรเหล่านี้เราก็ใช้มุ้งกันเอาไว้ส่วนเวลาเจ็บนี่มันอยู่ที่ว่าเราต้องการปฏิบัติขั้นไหนคือทุกคนเวลานั่งแล้วมันจะต้องเจ็บนะครับ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 ปัญหาของการนั่งสมาธิส่วนใหญ่ก็คือสติไม่มีกำลังพอนนเราต้องพยายามฝึกสติอยู่เรื่อยๆก่อนที่เรามานั่งในชีวิตของเราตั้งแต่ตื่นจดหลับนี่ท่านบอกเจริญสติได้เราพุโทโธได้ตลอดเวลาเป็นขึ้นมาลืมตาก็พุโทโธได้แะไม่พุโทโธกันเราตื่นขึ้นมาก็คิดแล้ววันนี้จะไปทาอะไรคนนู้นเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้ว้าอยู่กับพุโทโธ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 หรืถ้าจะหยุดพุดโทโธอีกกรณีหนึ่งก็คือต่อเมื่อเราไม่คิดอะไรนะใจเราว่างใจเราเฉยเฉยไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ในปัจจุบันอยู่เราก็ไม่ต้องคิดเราก็ไม่ต้องพุโทโธถ้ามันคิดปับ๊บเราก็ต้องพุโทโธพุโทโธนี้เป็นเหมือนเบรก ค, ความคิดความคิดไปเหมือนรถยนต์ถ้าเราต้องการให้รถยนต์มันจอดอยู่นิ่งเราก็ต้องคอยแตะเบรกไว้ถ้ามันนิ่งแล้วเราก็ถอนเบรกได้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 เป็นผลที่เกิดจากการนั่งสมาธิแล้วมีลักษณะหนึ่งอันนี้เป็นลักษณะพิเศษที่อาจจะไม่ได้เกิดกับทุกคนก็คือพอสงบแล้วมันออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆภายในนิมิตต่างๆไปเห็นกายทิ์ไปเห็นนูน่นเห็นนี่เห็นอดีตเห็นอ น, นาคตอันนี้เรียกว่าสมาธิที่ออกนอกออกข้างนอกเป็นอุปจารสมาธิไม่ใช่เป็นอัปปนาสมาธิ ถ้าเป็นอัปปนาสมาธิมันจะนิ่งเฉยเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้สมาธิที่เราต้องการก็คืออัปปนาสมาธิเพราะอัปปนาสมาธินี้จะเป็นฐานเป็นกําลังของปัญญาต่อไปถ้าเป็นอุปจารสมาธินี้จะไม่มีกําลังเวลาได้สมาอุปจารสมาธิเหมือนกับได้ไปเที่ยวไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆพอพอจะไปทํางานก็ไม่มีแรงไปทํางาน แต่ถ้าอุปจาระถ้าอัปปนาสมาธินี่เหมือนกับพักผ่อนหลับนอนพอไปทำงานก็จะมีกำลังไปทำงานงั้นถ้าเราไปเจออุปจารสมาธิเราต้องดึงมันกลับมาเข้าไปในอัปปนาด้วยการใช้บริกรรมพุทโธต่อไปอย่าปล่อยอย่าตามมันไปอย่าปล่อยให้มันออกไปรู้เรื่องราวต่างๆดึงกลับเข้ามาหาตัวรู้ก็ได้ด้วยดึงกลับมาที่บริกรรมพุทโธก็ได้ให้มันสงบ อยาให้มันนิ่งให้มันเฉยให้มันเป็นอุเบกขาให้มันมีความสบายแค่นี้พออย่าไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเพราะมันจะทำให้ใจเหนื่อยใจต้องทำงานค่อยครั้งนะคะแล้วก็ก็เคยมีครั้งหนึ่งที่ว่าเหมือนกับว่าสมาธิหลับไปเลยนะคะแล้วก็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 ต้องเห็นของจริงต้องต้องให้มันเกิดขึ้นเองแล้วไม่ถามใครไม่สงสัยนะอ่ามันจะมั่นใจกว่าแน่ใจกว่าอย่าไปคาดอย่าไปคเนว่าเอ้ยเราเป็นอัปปนาแล้วยังหรือเป็นอุปจาระเนอย่าไปคิดอย่างนั้นให้มันเป็นเองขึ้นมาอ้าวถ้าไม่มีเราก็จะขอยุติไว้เพียงเท่า น, นี้นะอ่าขอให้ท่านได้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติ เอาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอะ